มันเลยพอดีแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพอดีนะพอหยุดปั๊บเลยล่วงไปเลยเมื่มต้นเราตึงๆไว้นิดหนึ่งขยันไว้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็คอยเรียนรู้รู้ทันตัวเองไปเนี่ยมันยากละมันเกินละคอยรู้ไปเงี้ยมีค่อยๆปรับลงมันเองวันไหนที่อรู้ตัวดีๆเจ้าค่ะมันก็เหมือนกับมันมีมานะอัตตาขึ้นมาว่าวันนี้ฉันภาวนาดีอย่างไงเจ้าค่ะเราก็รู้ทันว่ามีมานะอัตตา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 ต้องทําอย่างนั้นก่อนจนะต้องทําดีไปก่อนแล้วก็วันหนึ่งถึงจะพ้นดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปไมนะ่อุตส่าห์ภาวานาแทบเป็นแทบตายดูไปดูมาฉเฉลียวใจขึ้นมาอ๋อกิเลสมันผักไว้นะมันมีเซลล์ขึ้นมาเหมือนที่ครูบาบอกไปเทศใช่ไหมนะแร ก, กจิตมีเมตตานะเทศไปเทศมามันกลายเป็นมานะเนใช้ได้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 ไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่ให้เทศมันไปเทศเข้าใจฟุ้งเลยนี่รูบาอาจารย์ดูออกว่าจุดช่วงนี้เทศได้เทศไม่ไดน้นเวลาที่ทำกุศลแท้ๆมันพร้อมจะพลิกเป็นกุศลจิตชมพูเป็นไงจิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านมีโมหนะกระจายทำไงกำมันดีรู้เฉยๆจ้ะนี่ตอบตามสูตร <laughs> <laughs> <laughs> พระใจไม่ยอมเฉยดูออกไหม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 แต่ผมก็ทำบ่อยๆทาทั้งวันจะอย่าไปว่าเขาค่ะว่ า, น, าน้อยลงใจยังไม่เป็นกลางนะแว่าน้อยลงก็พยายามตามดูนะคะแต่ดูได้ปป๊บๆแล้วก็มีอารมณ์รวมเยอะค่ะอืมอินกับมันนึกเองค <c oughs> ่ะแล้วก็บางทีก็คือเหมือนทําแล้วไม่ได้ไม่มั่นใจว่าตัวเองพยายามมองมากเกินไปหรือเปล่าดูเล่นๆ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 แต่ว่าพอมันสงสัยขึ้นมาให้รู้ลงไปใจสงสัยแล้วให้รู้ลงไปเมื่อไหร่รู้ลงปัจจุบันถูกต้องนะเป็นปัจจุบันรู้สภาวะธรรมได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติถูกต้องละไม่มีการปฏิบัติอะไรที่ยิ่งกว่านั้นละทาํามากหน้ามากกว่านั้นไม่ได้ละงั้นอย่างใจเรากําลังสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยนะี่รู้ถูกต้องอย่างนี้ใช้ได้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 อย่าจิตปรุงแต่งจิตก็มีความทุกข์จิตห่างไกลมรรผลนิพพานออกไปถรู้ทันไม่ปรุงไม่แต่งใจก็เข้าสู่เส้นทางที่ราบรื่นคุณตรงเข้าสู่ทางราบรื่นตอนก่อนเข้าห้องนะครับมีความรู้สึกว่าทำไม่เป็นหละพอมานั่งตรงนี้สักครู่เดียวก็ก็กลับไปช่องเดิมว่ามันก็ดูไปดูมาไม่ทราบดูอะไรอืรู <c oughs> ้สึกว่าหลงไปดูจิตอืม <c oughs>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 แกมันก็จะรลุดออกมานี่ถ้ามันมีกำลังมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันย็เกิดมากเกิดผลขึ้นมาใจหนีไปคิดได้ไหมใจจะทำงานงั้นเบื้องต้นเราทำกรรมฐานมันก็คือทำนั่นแหละต้องทำไปก่อนทำทำทำไปถึงจุดหนึ่งคือมันหยุดของมันเองตรงที่มันหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจหยุดก็คือการทำงานอยากหยุดแร้วตั้งใจหยุดนี่ใช้ไม่ได้แกล้งหยุด ถ้าเราตามรู้ตามดูไปแล้วใจเราเว้นขาดจากการปรุงเพิ่มจิตมันทํางานไป แ, แล้วใจเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะมันจะคลายตัวของมันออกเองเลยเัย้นตรงที่เวลามรักผลจะเกิดเนี่ยจะต้องเว้นขาดจากความจงใจจิตเขาหลุดของเขาเองเขาคลายของเขาเองเมื่อวันเมื่อวานฟุ้งมากไป่อยครับือโ ม, มะหะเยอะอคุยธรรมะเยอะไปหน่อยครับ อ, อย่าคุยเยอะนะธรรมะแล้ววันนี้ก็ ก็เลยนั่งสมสถะเข้าไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปแต่ยังมีติดอยู่บ้างใจซึมไปนิดหนึง่งอันนี้เป็นวิบากของความฟุ้งซ่านเมื่อวันโน้นฟุ้งซ่านนะวันต่อมาหรือช่วงเวลาตมาจะซึ ม, มถ้าช่วงหนึ่งกามราคะรุนแรงช่วงหนึ่งโทสะมันจะแรงจะกลับข้างกันถ้าโทสะแรงนะถัดไปเดี๋ยวราคะก็แรงอย่างเงี้ยจะเหวี่ยงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเห็น เป็นปฏิกิริยาของจิตตามธรรมดาถ้าฟุ้งไปแล้วก็ซึมนะหรือบางคนภาวนาน้อมใจให้ซึไมไว้พอไม่น้อมเมื่อไหร่นะฟุ้งสุดจิตเลยกลับข้างอเพราะเราน้อมเข้ามาใช่ไหมถ้าน้อมเข้ามาเนี้ยน้อมอย่างที่ทําอยู่เนี้ยน้อมน้อมแลนะอีกช่วงหนึ่งจะซึมไอ้มันพอไม่ซึมแล้วน้ําจะฟุง้งใช่ครับจะฟุ้งสุดๆไปเลยใช่สิพระหลวพ่อเห็นมาเองเลย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 ให้รู้ไม่ให้ทําจําไว้นะคํานี้เป็นคีย์เวิร์ดให้รู้นะไม่ให้ทําอ่ะเมื่อกี้ตอนเห็นหลวงพ่อเดินออกมานะคะไม่เห็นตรงนี้เมื่อกี้ตอนเห็นหลวงพ่อเดินออกมานะคะเบิกบานมากเลยค่ะหลวงพ่อเบิกบา น, บานหรอนหนือคุณมนเบิกบานือมนค่ะหลวงพ่อคงเบิกบานอยู่แล้วมนหลวงพ่อนะอยู่ตามงลําทางหลวงพ่อเบิกบานนะ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 มันหลดลงมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยใจตอนนี้นะมันนิ่งเกินจริงนิดหนึ่งดูออกไหมมันนิ่งเกินจริงไปนิดหนึ่งแต่ดีขึ้นแล้วนะคุณวุฒขึ้นหมดคุณวุฒวันนี้ใช้ได้เลยมันันล้าหน้าไปทีเดียวใช้ได้มันก็รู้สึกว่ามันตั้งมั่นดีกว่าตอนที่วันก่อนจะมานอะนะมันตั้งเกินใช่แต่ว่ามันไปตรึงไว้เอ่มันตั้งเกินมันคล้ายๆงูชูหัวไว้หน่อยหน่อย เผื่อว่าอะไรมาจะฉกมันแต่ใช่ค่ะจ้องไว้เลยแล้วบอกิเลสมาอุ้ยดีใจแบบเห็นว่าจะชกกิเลสเนี่ยจ้องไหมมาแล้วจะฉกมันนะ่ใจมันขยับขึ้นมานิดหนึ่งดูออกไหมค่ะแต่มันก็มีซึมซึมมีบอกมีมัวมัวด้วยนะค ะ, ะมันคนละตัวใช่ไหมคะเปนละตัวกันมันก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันเอ้แปลกใจว่าเหมือนเราจ้องอยู่แต่ทําไมมัน <ใจ S 1> มัวด้วยอยู่ต่างหากนะกิเลสอยู่ต่างหากล้วความซึมความมัวเนี่ยเป็นทางกาย อันนี้เป็นทางกายตอนนี้เพราะงั้นใจเนี่ยมันทรงตัวอยู่ต่างหากได้เวลาที่เราจะตายจริงๆนะใจมันจะอยู่ต่างหากอย่างเงี้ยเราร่างกายก็เจ็บไปเรื่อยๆใจไม่เกี่ยวกันเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตัดความรับรู้ทางกายไปเหลือแต่ใจอันเดียวแล้วคราวนี้ <Okay. S 2> งั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเราไว้ให้ชำนิชำนาญเกิดผรับปรับจะตายนะใจมันจะถอดถอนมันทิ้งกายนะ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 มันก็เลยง่วงง่วงก็เบื่ออยู่เนี้ยนะใจก็ทรงตัวอยู่ต่หากนันสิครับวันถือว่ามันทาไมมันแปลกว่ามันมีสองอาการเอ้มวัวก็มัวเอ็ดจอมจ้องมันก็จ้องด้วยใจมันวัวนะใจมันสว่างข้ามสองคนนี้ไปนั่นไปเกลีการก็ได้เขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าคขายังติดแกล้งทาไปนิดนึงก็เลย กลับไปก็คือปล่อยปล่อยไปเยอะเหมือนกันนะคะพอนี้พอปล่อยปุ๊บมันก็หายไปเลยมันกระจายไปเลยมันดูดูอะไรไม่ได้เลยเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เพิ่งจะเริ่มดูขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ยังมีโม่ว ม, วมวอยู่บ้างโม่โ ม, ม่เกง็งเกรงดีที่รู้สองคนนี้มาจากไหนนะมาจากสร้างเสร็จเคยฝึกอะไรมาไม่เคยครับไม่เคยอยกฝึกง่าย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 การทำงานของจิตใจเราจะ ร, รู้ความจริงข้อหนึ่งคนอื่นนะสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองนี่ถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งในจิตใจของเราเองเรียกว่าเราค้นพบตัวเองละถ้าค้นพบตัวเองเมื่อไหร่นะจิตใจจะมีความเต็มอิ่มขึ้นมาเลยจะเต็มอิ่มเบิกบานอยู่ในตัวเองนี่หน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติที่จะสนใจการปฏิบัติเนี่ยต้องหัดสังเกตจิตใจของเราเอง วิธีสังเกตใจของเรานั้นไม่ยากคุณรู้จักความกโกรธไหมเคยกโกรธไหมหรอเคยโลภไหมเคยอยากโน่อนอยากนี่เคยครับเคยกลัวบ้างไหมเป็นผู้ชายเคยกลั ว, ลวเหรอฮะเออเคยครับเคยใช่ไหมเคยกังวลไหมกงังวลครับรู้จักใช่ไหมคเคยอิจฉาไหมครับเนี่ยจริงๆนะก็คือเราแต่ละคนเรารู้จักสภาวะอยู่ละหน้าที่ของเราเนี่ยก็าแค่รู้ลงไปว่าขนาดเนี้ย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 ความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภ ค, ความโกรธความหลงดีใจเสียใจอะไรทุกอย่างผ่านเข้ามาในใจเราชั่วคราวก enfin, ็จะหายไปดูไปเรื่อยๆถึ ง, ถงจุดหนึ่งจิตมันจะสรุปไม่ใช่เราสรุปนะจิตมันจะสรุปได้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีหรือชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวแระทั่งชีวิตเราเองก็ชั่วคราว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 ตื่นเต้นแล้วก็กลัวค่ะหลวงพ่อเ <Okay. S 1> มื่อวานพอ น, น้องก็นัดว่าจะมากราบหลวงพ่อตัวเองก็ถอนใจเฮือกเลยค่ะแล้วก็แบบเห็นเลยค่ะว่ากลัวแต่ตอนที่เริ่มกลัวไม่เห็นนะคะแต่พอถอนใจแล้วก็เห็นว่าเออมันแสดงออกมาทางกายอะเจ้าค่ะหลวงพ่อดีแล้วไปหัดดูอย่าให้มันซึมมาก <Okay. S 2> ใหมันซึมไปนิดนึงแล้ว ก, กลัวเลยไปข่มไว้ <Okay. S 2> ข่มไว้ลยซึมซึมแผลใจรอยไปแล้วมัวแต่ดีใจแล้วไม่ได้ดูเนะดีใจให้รู้ว่าดีใจนะ สูตรเบสิกเลยเดี๋ยวเขาถามอีกนิดนึงเมื่อกี้ใจลอยเหรอคะหลวงพ่อมันมันไม่ได้เหมือนมันปลื้มมันปลื้มมันปลื้มมันปืมแล้วไม่เห็นมาปลื้มมันปลื้มแล้วเคลือบเคลิมยินดีในความปลื้มนั้นอ๋อมักจะเป็นบ่อยเลยค่ะให้รู้ทันนะอย่างนั้นหลงเหมือนกันแหละนะหลงปลื้มตายไปปุ๊บไปเป็นเทวดาเลยลําบากแย่เลยคนมันมาขอหวย เัน ม, มาครั้งแรกครับได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อจากซีดีครับแล้วก็อยากมากราบหลวงพ่อครับอดดูใจนะอย่างที่หลวงพ่อบอกคุณสองคนนี้เื้่งต้นเลยง่ายที่สุดเลยให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปแต่ความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาจิตใจแห้งแล้งอะไรเงี้ยแค่เราก็รู้ไป ในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกัน <geek Aladdin> เพราเราก็หัดรู้ไปต่อไปเราจะเห็นเลยในแต่ละขนาดแต่ละขนาดใจเราก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นใจเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่ได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนแปลงขนาดที่คิดใจเราก็เปลี่ยนแปลงอย่างเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังกริ้งเราจะนอนนะสมมติเราจะนอนโทรศัพท์ดังขึ้นมามันโมโหนะโมโหเรารู้ว่าโมโหหยิบมาอ้าวกลายเป็นเสียงแฟนเราเองกําลังคิดถึงเลย โมโหพลิกเลยเป็นดีใจเนี่ยเราก็รู้ฐานใจมันดีใจละคุยไปคุยมาทะเลาะกันโมโหอีกละรู้ว่าโมโหเยดูใจที่มันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอแล้วนะอ่ะโยมผู้หญิงได้สองคนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่หนูมาถึงตอนที่มาถึงใหม่ๆนะคะจิตใจรู้สึกเบิก บ, บานมากนะคะ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 เหมือนกับมีสติบ่อยขึ้นพอมีสติบ่อยขึ้นก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นกิเลสแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าคือลงนั่งหน้าคอมปุ่มเนะะียค่ะใจมันบอกอะไรบอกว่ า, วาอันนี้มันเป็นกิเลสมากๆเลยนะเราทำไมถึงเสียเวลาอยู่กับมันมากมายอย่างเี้แต่ก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาค่ะตือนั่งต่อไป <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าแบบ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 เห็นไหมใจสว่างขึ้นมาแล้วพอไม่ไปพ้นตัวนะก็ตอนก่อนเข้ามายังเกร็งๆนะคะยังแบบบังคับอยู่อะค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าประคองประคองดีเก่งใช้ได้รู้สึกสามแถวนี้นะภาวนาดีๆเยอะนะได้เยอะเลย